มีสติรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิด <Gym. S 1> ขึ้นกับจิต hta. ถ้ารู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นที่จิตแล้วกิเล Gotta, สจะครอบงํำจิตไม่ได้เมื่อกิเลสครอบงําจิตไม่ได้ศีลมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะคนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงําจิตฆ่าเขาได้เพราะโธสะครอบงํำไปปล้นเข้าไปขโมยเขาได้เพราะโลภะครอบงําเป็นชู้เขาได้เพราะโลภะครอบงํานำ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 น่าเกลียดออกนะไม่สะอาดจริงไม่สวยจริงนในร่างกายนี้ร่างกายนี้นะพระริยาเจ้าท่านเห็นเหมือนถุงหนังนะเหมือนถุงหนังใบตโตๆใบหนึ่งมีของโศกโครกอยู่ข้างในเป็นถุงที่มีรูรั่วมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่ก้ารูมีรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนมีของโศกโครกไหลชุ่มออกมาเป็นนิดนเนี่ยไม่สวยไม่งามจริงหรอกแล้วก็ไม่เที่ยงด้วย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 มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่คือคําว่าอนัตตาอนัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยอนัตตานั้นมีอยู่ถ้ามีเหตุมีอยู่ถ้ามีเหตุถ้าเหตุหมดไปมันก็หมดไปไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรนิรันดร์ไม่มนะีนั้นเนี่ยคำว่าอนัตตาไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรเลยมีถ้ามีเหตุดับไปเมื่อเหตุดับไม่ได้อยู่ในอานาจบังนคะับนี่คําว่าอนัตตา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 ไม่ยากหรอกง่ายฟังง่ายๆ่าหลวงพ่อแจกแจงธรรมะละเอียดนะอธิบายละเอียดยิบเลยนะพวกเราค่ายเด็กเล็กๆคนโบราณเลี้ยงเด็กมีกล้วยนะเอาช้อนมาขูดนะขูดคืนนีหลวงพ่อเลี้ยงพวกเราเหมือนป้อนกล้วยให้เด็กกินเลยป้อนจนละเอียดขู ด, ข ด, ข ด, ขดะละเอียดเลยนะป้อนอ่ำง่ำงน ะ, ะมันยังไม่ค่อยย อ, ยอมอ้าปากเลยรู้สึกไหมหุปากแน่นน <laughs>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 อเจ็ดสบสี่ขอบคุณค่ะกราบนมรสการหลวงพ่อใช่ไหมคส่งกันบ้านล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ค่ะหลวงพ่อให้เป็นทําความสงบนะคะแต่ว่าเพิ่งมาทำตอนเดือนกันยาค่ะอทําไมทําช้าจัง <c oughs> ทำอย่างเหมือนกับว่าทําวิปสัสสนาอย่างอื่นแต่ไม่ได้นั่งสมาธิอะค่ะแต่พอมานั่งเนี่ยก็ตอนที่นั่งแล้วเนี่ยก็รู้สึกชอบอะคะ่ะพอนั่งแล้ว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 คือถูกบอกจะทำงานด้วยบางทีอย่างหลวงพ่อบอกว่าถ้าทำทางความคิดเนี่ยสัญญามจะทำงานเราจะไปทำร่วมไม่ได้เราก็จะทำสมาถะไม่ได้ฟุ้งแล้วใช่ไหมครับอย่าให้ใจมันฟุ้งไปผมก็จะแต่ถ้าทำงานทางร่างกายเหมือนที่หลวงพ่อบอกผมก็จะสตดอย่างนี้บ้างรู้สึกนะรู้สึกไปอย่าให้ปัญญาํำหน้านะ